เอางี้ก่อนเอาเรื่องเนี่ยู้คำว่าไม่เคยเปลี่นไม่เคยหยาเรายกตัวอย่าง ก, ก่อนนี้กันนะเพื่อเพื่ออุปมาก่อนนะอาจจะเข้าใจง่ายอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พบด้วยตนเองอะเล่าเล่าเรื่องกันได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่ลบบุรีตอนค่าๆเนี่ยโชเพนเนี่ยนะนั่งอยู่ศาลาคล้ายๆกุดพระอาจารย์เบญจานี่อยู่กลางน้ำอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็คุยกับพระอีกรูปหนึ่งท่านออนท่านอ่อนอ่ะ ก่ อ, อนแรกนี่นะพอระหว่างเรานั่งคุยเนี่ยตาก็มองนู่นก็คุยไปแล้วพอดีมีนกวิ่งผ่านมันออร้องยังไงมันร้องแคแคร์พอร้องแคแคร์ปับ๊บมันได้ยินเสียงถูกป่ะมันได้ยินสองคันะแคแคร์แคแคร์นี่สแสดงหลอพอได้ยินแคแคร์ปับ๊บเนี่ยมันเกิดการฉเฉลี่ยวใจขึ้นมาว่าเฮ้ยก่อนที่จะได้ยินนกร้องอมันเป็นความความว่างที่มีอยู่ก่อนแล้ว ก็ค um, ือตอนที um, no ่มันไม่มีเสียงถูกไหมตอนไม่มีเสียงคือมันไม่มีเสียงก็คือคือมันว่างไงมันไม่มีอะไรแล้วพอมีเสียงแค็กเดียวก็หมดไปแล้วช่องว่างกว่าจะขึ้นอ่าขึ้นแค็กที่สองมันก็มีช่องว่างอีกแล้วแล้วก็แค็กที่2ดังขึ้นแล้วก็หมดไปอีกก็เลยเห็นว่าไอ้ธรรมชาติที่มันมีอยู่แต่เดิมเลยนะธรรมชาติที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยมีอยู่จริงแต่ธรรมชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆสดๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็คือเสียงดับไป ก็เลยทำให้ความรู้สึกเฮ้ยไอธรรมชาตินี้มันมีอยู่แต่ทำไมเราไม่รู้จักมาก่อนว่าไอสิ่งที่มันไม่เคยเกิดมาเนี่ยมีอยู่อะไรที่มันไม่เกิดมาก็คือความเดิมของความว่างเดิมๆของมันก่อนที่จะมีเสียงแต่เสียงต่างหากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความว่างนั้นแล้วก็เสียงก็ดับไปสู่ความว่างเดิมไม่บอกไหมจับได้ไมจับยจ<อ><ะ>ับว่ามันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็จะเกิดอีก เห็นหมดเลยเจ็บดับได้คือคือมันต้องผ่านก่อนแล้วถึงมันจะย้อนหลังหมายความว่าพอได้ยินเสียงแก๊แก๊กใช่ไหะพอได้ยินเสียงแก๊กแก๊กนี่ได้ยินการเกิดของเสียงแล้วแล้วก็ได้ยินได้เห็นการดับของเสียงแล้วแต่เราจะรู้เลยว่าอะไรที่มันไม่ใช่เสียงน่ะก็คือความเงียบถูกไหมเรื่องเสียงเรื่องเกิดการดับเออเสียงเสียงเสียงเกิดถูกไหมเสียงเกิดเสียงดับอะ แล้วแล้วก็เกิดครั้งที่สองแล้วก็ดับอ่าแต่ทีนี้สิ่งที่มันเข้าใจเพิ่มก็คือว่ามันจะไปเห็นสิ่งที่ไม่เกิดก็คือไม่ใช่เสียงเพราะเสียงมันมันเกิดใช่ไหมอ่าแต่สิ่งที่ไม่ใช่เกิดคือไม่ใช่เสียงซึ่งมีอยู่แล้วแล้วมันไม่เคยเกิดแล้วมันเมื่อมันไม่เคยเกิดมันก็ไม่ดับแต่ที่เกิดดับคืออะไรมีแต่เสียงเท่านั้นที่เกิดแล้วก็ดับแต่ที่มันไม่ใช่เสียงอ่ะที่มันรองรับเสียงอ่ะ มันไม่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดแล้วมันไม่ได้ดับแต่แล้วเป็นอมะตะด้วยนะเอาตอนนี้ก็ได้เนี่ยเวลาอาตามาพูดมันมีเสียงดังขึ้นไหมพออาตามาหยุดรับรู้ได้ถึงความเงียบอ่ะไอความเงียบแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เป็นอมะตะคือไม่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการดับไปอ่านะทีนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกตัวสิ่งที่อยู่ในตัวกันแล้วกันใจ ใจเนี่ยเป็นความว่างเราตั้งชื่อนะตั้งชื่อว่าใจนะใจเป็นความว่างไม่มีการเกิดไม่มีการดับเหมือนกับที่อุปมาความเงียบอะ่ะแต่ทีนี้อะไรที่เกิดในใจก็มีบางสิ่งบางอย่างก็คือเช่นความคิดอารมณ์ธรรมารมณ์ต่างๆพวกเรล่านี้มีการเกิดและก็การดับเกิดอยู่ในใจนั่นแหละเพราะใจมันเป็นความไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่เป็นอมตะแต่สิ่งที่เกิดก็คือความคิด อารมณ์ความรู้สึกถูกไหมที่มีอยู่ซึ่งเราสัมผัสได้แต่ใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่ามันเป็นความว่างมันไม่เกิดไม่ดับแต่มันรู้ทุกเรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ก็ไหมเพราะฉะนั้นใจเนี่ย น, นี่นี่เป็นภาษาสมมุตินะใจนี่แหละจึงเป็นวิสังขารไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่สิ่งที่เกิดดับในใจก็มีมากมายมหาศาลที่เรียกว่าทำมาลมอ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อใจไม่เกิดไม่ดับนี่ไงใจถึงเป็นวิสังขารนี่นี่นี่เราขอตั้งชื่อสมมุติว่าใจนะบางคนเรียกว่าพุทธะบางคนเรียกว่าธาตุรู้เอออันเดียวกันอ่าถ้าเรียกตั้งจิตถ้าถ้าจะสมมุติให้ให้เข้าใจร่วมกันก็ย่อมได้หลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่าจิตท่านบอกว่าจิตเนี่ยไม่เป็นอะไรจิตเนี่ยทุกไม่เป็นจิตเนี่ยไม่คิดไม่นึกไม่เป็นอะไรทั้งหมดอันนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่มันรู้ทุกเรื่อ ง, เ อ, งเออมันรู้ทุกเรื่อง อ, อ้าทีนี้ให้รู้ทุกเรื่องนะเออตรงนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วสมมติเราขอใช้คำว่าใจกันแล้วกันนะใจเนี่ยเป็นความว่างความว่างเปล่าเป็นอมตะเป็นอมตะไม่มีการเกิดไม่มีการการดับนะแต่บางสิ่งบางอย่างเกิดในใจได้ซึ่งสิ่งนั้นะเขาเรียกว่า จะเรียกว่าทำอารมณ์ไม่รู้พอเราเข้าใจกันได้ไหมทำอารมณ์เช่นความรู้สึกทางใจนะเช่นเกลียดบ้างโมโหบ้างสุขบ้างทุกบ้างเความคิดความนึกบ้างความอะไรสารพัดความพ้อแท้อะไรต่างๆที่เกิดในใจที่บอกมันเกิดในใจมันเกิดในใจอ่ะไอเ น, นี้ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดในใจแต่ใจมันเป็นความว่างแต่คุณสมบัติของใจคือมันรู้อะไรได้ เห็นรู้ได้นี่เวลาโกรธรู้ได้เวลาสบายใจก็รู้ได้ไม่สบายใจก็รู้ได้ทุกก็รู้ได้สุขก็รู้ได้เอ้ยมันรู้ทุกเรื่องเลยแต่มันอ่ะได้แต่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะที่บอกว่าได้แต่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับต้องไปทำอะไรอีกนะเพียงให้พบใจแค่นั้นแหละว่าใจเนี่ยมีอยู่เป็นธรรมชาติที่เป็นความว่างเปล่าใจเนี่ยไม่เคยยึดถืออะไรแต่มันรู้ทุกเรื่องรู้แบบไม่ยึดถือรู้แล้วแบบมันไม่ยึด ทั้งไม่ยุดทั้งไม่ปล่อยทั้มันได้แต่รู้อย่างเดียวงงไหมหรอว่าพูดชัดใชได้นะชัดค่ะเออเข้าใจอ่าทีนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเฉยเฉยนะทีนี้ไอเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือส่วนมากเนี่ยเราพยายามแทรกแซงเอาตัวเราเนี่ยไปบังคับไม่ให้เกิดอาการถูกไหมเช่นไม่ให้โกรธไม่คือบังคับให้มันนิ่งบ้างล่ะอะไรเนี่ยมันผิดเพราะอะไรถ้าพบใจอย่างที่เราบอกแล้วเนี่ยใจเนี่ย มันเป็นความว่างเปล่ามันไม่เคยเคลื่อนไหวมันไม่เคยมีอาการกิริยาใดๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเป็นใจอีกเพราะเราไม่มีก็ให้เหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ตรงนี้เกาเรียกว่าให้มีปัญญาเข้าถึงใจพบใจพบใจก็พบธรรมเพราะว่าใจเนี่ยเป็นความว่างไม่เป็นอะไรกว่าจะเราจะพบตรงนั้นนะทีนี้มน ต, ต้องกลายวเราต้องใช้เวลาในการ จริงๆถ้าถ้ามีปัญญามากไม่ต้องใช้เวลาเยอะหรอก <Okay. S 1> แค่อธิบายเนี่ยมันเข้าใจได้เลย uh huh. อธิบายเรื่องอารมณ์ทางใจใช่ไหมเ uh huh. พราะทุกคนเคยเขาเรียกว่า huh. เคยมีทุกข์มีสุขอยู่แล้วถึงรู้ได้ใช่ไหม uh huh. เวลาทุกข์ก็รู้เวลาทุกข์หายไปก็รู้ uh huh. เวลาสุขก็รู้เวลาสุขหายไปก็รู้ uh huh. อะไรเป็นคนรู้ล่ะก็ใจไงแต่ใจเนะี่ยไม่ได้ทุกข์ด้วยไม่ได้สุขด้วยถูกมใจยังไม่ได้สบายด้วยเพราะใจมันได้แต่รู้ นเนี่ยเถ้ามีปัญญานมันจะเห็นตามได้ง่ายเลยนะอของโยมเนี่ยสมมติตอนนี้นะสมมติตอนนี้ส่วนโยมสัมผัสได้รู้สึกว่าตอนนี้สมมติว่าถ้าสงสัยสมมติยังสงสัยนะรู้ได้ไหมล่ะสงสัยถ้ามีก็รู้ได้ถูกป่ะถ้าไม่สงสัยแล้วรู้ได้ไหมละ่ะว่าไม่สงสัยแล้วก็รู้ได้นี่ไงใจเป็นคนรู้แต่ใจเนี่ยไม่ได้ใจเองอ่ะมันเป็นความว่างมันสงสัยไม่เป็นแต่มันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเออ มันได้แต่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจแต่ใจอ่ะมันไม่มันเป็นความว่างแต่มันไม่ได้เป็นอาการด้วยใจเนี่ยมันไม่มีอาการมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดใช่รู้เฉยๆที่ภาษาหลวงเทียนนั่นเขพูดเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจรู้จุงไหมกายเคลื่อนไหวใจรู้เออแต่จริงๆอ่ะบางทีก็เรียกว่าสติใช่ไหมสติรู้คือคําเนี่ยมันเยอะมากแต่ทีนี้ถ้าเราพูดว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้มันก็ถูกเพราะกายเนี่ยมันไม่ใช่ใจ กายเนี่ยคือเป็นวัตถุเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็กายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกไหมแต่ใจเป็นคนรู้ใจจึงไม่ใช่กายแล้วใจอยู่ไหนอะยอมลองหาดูอะไม่มีวันจะเจอใจได้เพราะใจไม่มีตัวให้เจอใจมองไม่เห็นใจเป็นความว่างหาใจเนี่ยไม่มีวันเจอเพราะใจเนี่ยมันไม่มีสภาพที่เป็นรูปเป็นร่างเลยเป็นรูปก็ไม่ใช่ จะเป็นนามถ้านามก็มีตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ใจก็ไม่ได้เป็นนามใจเนี่ยจึงพ้นจากรูปจากนามใจจึงหลุดพ้นใจจึงไม่มีเป็นอะไรอีกแล้วใจจึงสู่ความว่างเนี่ยใจเนี่ยถ้าพบใจก็พบนิพพานเพราะว่ายังไงอ่ะใจเนี่ยพ้นจากสังขารทั้งปวงแล้วเพราะใจไม่เกิดไม่ดับถูกไหมทีนี้พอพบใจปั๊บอ้าวใจไม่เกิดไม่ดับใจไม่มีกิเลสตัณหา มันก็จะแจ้งนิพพานได้ว่านิพพานก็คือก็คือสภาวะที่หมดกิเลสตัณหาคือหมดการยึดมั่นถือมั่กงก็เข้าไปสู่วิมุติคือใจเนี่ยสู่วิมุติได้ก็เป็นนิพพานนี่นี่โยงกันนะระหว่างที่เป็นสังขารปรุงแต่งยังไม่พบใจใช่ไหมก็ยังเกิดตายแต่พอพบใจปั๊บใจเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีกิเลสตัณหาได้แต่รู้บริสุทธิ์อ่า พอรู้บริสุทธิ์ปับ๊บเอ้าอย่างนี้ก็สิ้นทุกข์ที่พอสิ้นทุกข์ปั๊บมันก็จะแยกนิพพานนิพพานคือสิ้นทุกข์คือไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับนิพพานได้แล้วก็ไปเห็นขังขานทั้งปวงได้แต่ไม่ยึดมั่นมันก็เป็นใจเป็นจิตสูวิมุตติอะถ้าจะเรียกเป็นจิตค่ะสงสัได้เลยค่ะที่ว่าให้นอนมา5ปีเขาเขาใจเขาอยู่ในสภาพว่าหมือนให้เป็คือใจเนี่ยนะถ้าพูดถึงใจนะสิ่งที่พูดเนี่ย เป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยไม่มีความแตกต่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระรหันใจของศัตว์ก็มีแต่คนไม่ไปพบคือพวกเราเนี่ยปฏิบัติไม่เข้าถึงใจไม่เห็นว่าใจมันเป็นยังไงก็พยายามหาธรรมะแต่จริงอ่ะธรรมะก็คือใจนี่นแหละคือสิ่งที่มันรู้อะไรได้แต่มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดซึ่งมีอยู่แล้วรู้อะไรล่ะรู้เจ็บรู้ปวดรู้เมื่อยรู้หมดถูกไหมแต่ไม่เป็น ไม่เป็นในสิ่งถูกลุ้อ่ะลุ้สุขรู้ทุกข์้ไม่สุขรู้ไม่ทุกข์้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไงมันไม่เป็นอะไรก็คือใจมันไม่เป็นอะไรถ้าพบใจแล้วมันจะพบธรรมไม่ต้องหาธรรมะที่ไหนอีกแล้วว่าโอ้ใจเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมแท้ไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไปแล้วก็หาไม่พบด้วยนะเออหาหาหาใจไม่พบทำไมหาไม่พบก็ใจเป็นสิ่งที่ไม่มี ผมเป็นความพางเน่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่มันมีมีความไม่มีปุ <c oughs> ลิสต์วนวนเออเ <c oughs> ข้าใจนะเออเนี่ยพบใจพบธรรมนี่แหละตรงนี้นแหละเข้าใจเข้าใจแต่ผมมัน่าจจะพบยากเลยจะไปไม่ถึงใครจะไปไม่ถึง <c oughs> นี่ต้องเห็นเลยใจเป็นคนรู้ <c oughs> ว่ามีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งผู้ไปไม่ถึงแต่ใจอะ่ะมันเห็นเราแล้ว มันก็วางผู้ไปไม่ถึงเสียขนาดนี้เรอาจจะถึงแลก็ได้ใช่มเจ้าโอ้ยมันถึงแล้วแต่ไม่รู้จักแต่เราไม่รู้หลวงพ่อคําเขียนบอกว่าธรรมะเนี่ยบางทีนะมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักไม่รู้จักพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วในขันธ์ห้นี่มีอยู่แล้วในตัวเนี่ยนะมีครบหมดเพียงแค่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักมันก็ดินด้นเ่ยดิ้นอืม ใสเรื่องที่แต่กับต่งนเนี่ยเขคงจะเป็นแบบที่ใช่ใช่มาแต่งงานกับลูกก็ใสใ่มคืนคืนเขไม่ทำอเลาเและท่านคฟังแล้วก็ท่คน้องปาะพกน้องโงอน เพราะเวลาฟังธรรมเนี่ยนะลองดูนะฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยพราะสีมันก็ได้อยู่แล้วในระหว่างที่เป็นสมาธิอนะพอฟังด้วยความแบบตั้งใจฟังแต่เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ฟังเพื่ออยากได้คือเป็นธรรมชาติมากเลยมีความศรัทธาแล้วก็ฟังพอฟังเนี่ยที่เขูฟังฟังเนี่ยเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิปั๊บเนี่ยฟังไปฟังไปมันก็เกิดปัญญาในสมาธิ เห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วบรรลุธรรมต่อต่อหน้าเลยมันนี้จริงๆธรรมะของของพวกเราทั้งหลายเนี่ยหนึ่งถ้าผู้ถ่ายทอดดีเนี่ยนะมีปัญญาในการถ่ายทอดแล้วโยมศรัทธาแล้วก็ฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมันรู้ธรรมเอาง่ายๆนะแต่มันอยู่ที่มันเกี่ยวข้องกันเนาะผู้ฟังมีส่วนผู้ถ่ายทอดก็มีส่วนถ้า ผ, ผู้ถ้าผู้ฟังฟังดีแล้วแต่ผู้ถ่ายทอดฟังแล้ว ไม่ความรู้สึกว่าไม่ดีคือคือเราฟังไม่เข้าใจอะ่ะมันก็ไม่นั่นแต่ถ้าฟังเข้าใจเนี่ยมันจะเก็ตเลยก็ เ, เข้าใจได้นะอาทีนี้เดี๋ยวนะมามาม า, มาเคลียร์ในเรื่องของของใจนิดนึงเอาพูดถึงสองส่วนก่อนส่วนแรกที่เราพูดเมื่อวานทั้งหมดรวมถึงวันนี้บางส่วนเนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องสังขารคือพูดถึงเรื่องขันห้าเนาะขันห้าคือ ทั้งตัวเรานี่แหละคือขันห้าแล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ยึดถือไม่ได้ไอันนี้มันเป็นก็เรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งมันปรุงแต่งชั่วตลอดชีวิตถูกไหมเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายอย่างนู้นจะเลือกเอาอย่างไงไม่ได้มันจะวนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักของมันหลักการเจริญสติก็คือว่าให้รู้ขันห้าก่อนว่ามันมีลักษณะเป็นสมอย่างอย่างที่ว่ า, านี้ถูกไหม ให้เรียนรู้เรียนรู้ไปมากๆมา ก, มา ก, มากเรียนรู้ไปทีนี้ต้องต่อยอดด้วยปัญญาก็คือว่าทั้งหมดของขันห้าใครเป็นคนรู้สุดท้ายมารวมยอดลงตรงที่เราเป็นผู้รู้ก่อนถูกไมคนอื่นจะมารู้ไม่ได้เลยเช่นเวลาสบายใจไม่สบายใจคนอื่นรู้ไม่ได้คนที่รู้ดีที่สุดต้องขอใช้คาว่าตัวเราก่อนเราสิเป็นคนรู้ถูกไหมทีนี้เมื่อเราเป็นคนรู้เสร็จแล้วเนี่ยอา้าว เบื้องต้นก็มาเรียนแล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ประกอบกันอย่างเนี้คือขันห้าเพราะฉะนั้นตัวเราก็คือขันห้าเหมือนกันตัวเราที่เป็นผู้รู้นะขันห้าเหมือนกันมันก็อยู่ภายใต้กฎตรรกะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรยึดไหมลักตัวเรายึดตัวเราก็ไม่ได้พอตัวเราเป็นของเกิดตายเหมือนกันยึดไม่ได้สุดท้ายมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งใครหลัง ที่มารู้ตัวเราว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นแหละคือใจละ่ะใจล่ะเป็นผู้มารู้ตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อก่อนเนี่ยตัวเราไปรู้ขันห้าขันห้าเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณตัวเราไปรู้แต่ทําไปทํามาเอา้าตัวเรามันก็เป็นขันห้าเหมือนกันนี่อยู่ภายใต้กฎใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอา้าตัวเราก็ยึดไม่ได้ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องมีคนที่รู้จริงต้องมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วอะไรละ่ะมารู้ตัวเรา นี่ไงธรรมชาติธาตุรู้มารู้ตัวเราอีกทีที่เรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าพุท ธ, ธะก็ได้เรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้มารู้ตัวเราแต่ใจเนี่ยหรือว่าธาตุรู้เนี่ยมันไม่ใช่ขันห้ามันพ้นไปจากขันห้าแล้วเพราะมันไม่เกิดไม่ดับถูกไหมมันพ้นไปแล้วมันจึงไม่เกิดไม่ดับเมื่อมันพ้นไปแล้วเนี่ยก็มันไม่ยึด มันทิ้งแล้วมันรู้ว่าไอ้ของเกิดดับเนี่ยยึดถือไม่ได้ไอ้ใจเนี่ยจึงปล่อยขันห้าหมดทั้งพวงจึงเหลือแต่ใจอย่างเดียวการจะถึงขั้นนี้อ่าเดี๋ยวก่นอนนะพอพอจึงอันนี้ตอนนี้มาถึงพบใจแล้วนะใจเนี่ยคือพ้นจากขันห้าแล้วไม่เกิดไม่ดับแล้วสิ้นการปรุงแต่งแล้วจึงได้แต่รู้พอได้แต่รู้ปั้งเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งเนี่ยเกิดเข้าใจเรื่องนิพพานขึ้นมาว่านิพพานเนี่ยคือต้อง เขาเรียกว่าไม่หลงยึดขันห้าคือปล่อยวางขันห้าหมดแล้วไม่ยึดไม่ยึดคือสิ้นการยึดอะ่ะพอนิพพานคือมันไม่ใช่ขันห้านิพพานคือพ้นออกไปคือไม่เป็นอะไรหมดมีแต่ขันห้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นนั่นเป็นนี้เนาะแต่ใจก็ไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นอะไรพอไม่เป็นอะไรจัดใจก็สู่วิมุตต์หรือพ้นคือก็เข้าสู่นิพพานเมื่อเข้าสู่นิพพานแล้วเนี่ยขันห้าก็ยังมีเหมือนเดิม ไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติทมแล้วขันหน้ไม่ทํางานนะยังทํางานเหมือนเดิมแต่ใจก็ได้รู้ขันหน้าแล้วก็ไม่ยึดแล้วใจสิ้นการยึดเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับนิพพานอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นนิพพานแต่เป็นนิพพานนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นนะตัวเราไม่มีตั้งแต่แรกครับเพราะนั้นพอเป็นนิพพานก็ไม่มีใครยึดนิพพานอีกเพราะไม่มีเราเป็นผู้ยึดนิพพานได้เพียงแต่เข้าใจว่าสิ้นทุกข์แล้วจบแล้วจ บ, จบการเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเพราะแจ้งในขันหน้าหมดแล้วก็อยู่อย่างเนี้ย อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ค่ะเนี้ยเจ็บปวดก็ได้แต่รู้เนี้ยได้แต่รูนะ้เนียสักแต่รู้แล้วมมนี่นคือเข้าสู่คว่าม่ใช่จะอทย์หือเป่าว่าอาจารย์ะขั้นนี้เนี่ยขัที่อาจารย์พูด ว, ว่าไม่มีะอะไรนั่นแปลว่านั่นคือเราเนี่ยเขาเรียกอะไรอะบรรลุธรรมแล้วอย่างนั้นเหรอ ะ, ะก็กาอาจารย์ต่อต่อว่านั่นคือคือถ้าสิ้นยึ ด, ยด อ่อเรียกว่าบารบารลุธรรมล้วเมืกีพระอาจารย์ก็อธิบายต่อว่านั่นคือเราเข้าสู่นานจริงๆก็เลยถามถามต่อว่าไอ้คาว่าเข้าสู่ น, นินคือเข้าสู่กระแสนิพานแต่เรายังไม่ได้นิพพานแต่<า>แ ต, ต้องตัดคําว่าเรานะไม่มีเราเลยนะ่มอ่าไม่มีเราเราลยนะเป็นเรื่องที่เกิดเขาเรียกว่ามันต้องพบใจก่อนใจคือสิ่งที่มันพ้นไปจากขันห้า เมื่อกี้เราลำดับมาแล้วเนาะขัน5้าเกิดดับแปรเปลี่ยนเนาะอยู่ภายใต้กฎตรรกะแต่ใจเนี่ยได้แต่รู้ได้แต่รู้แจ้งในขันห้าถูกไหมแล้วก็สิ้นยึดถือในขันห้าแล้วปล่อยให้ขันห้ามันทํางานอะไรก็ทําไปแปรปวนอย่างไรก็แปรปวนไปแต่ใจรู้ทุกเรื่องแต่ใจเนี่ยไม่ยึดเมื่อใจไม่ยึดปั้งเนี่ยมันก็ ม, นก ม, นกมันก็สู่นิพานเพราะนิพานคือสิ้นยึดถูกไหมสิ้นยึดในขันห้าคือไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หมดจดสิ้นการโกงแต่ง สิ้นการยึดหมายถึงว่าสิ้นไปเลยหรือว่าวันนี้สิ้นแล้วพรนี้ยังยัอ่อ๋ออันเนี้อะเอาวันนี้เราเอาเป็นปัจจุบันทีนี้นะมีการปฏิบัตินะเอาแค่ให้มันพ้นเป็นปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้ยไม่ยึดแล้วเอาแค่ <c oughs> okay, เดี๋ยวนี้ไม่ยึดแล้วนะ <c oughs> ตอนเนี้เข้าใจแล้วว่าโอ้มีแต่ขันห้าเป็นของไม่เที่ยงไม่มีไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วไม่ยึดแล้ว สิ้นยึดแล้วไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเอาเป็นปัจจุบันพอแค่นี้พอแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปหมายอนาคตอย่างโน้นมีตัวเราเป็นผู้หมายไว้อีกใช่ไหมเอาเป็นว่าปัจจุบันเออปัจจุบันเป็นขณะเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเนี่ยแค่นี้เลยธรรมะเนี่ยสั้นๆเลยเนี่ยตอนนี้ตรวจสอบใจตัวเองได้เนี่ยสมมติว่าเฮ้ยแจ้งแล้วจากการได้ยินได้ฟังนี่เนาะโอยมีแต่ขนาน่าไม่เที่ยง อ, อ่า มันยึดไม่ได้หนิโอ้ยมันมีแต่เกิดแก่เจ็บตายโอ้ยยึดไม่ได้มันก็รู้อยู่อย่างเงี้ยแค่นี้แค่นี้ตอกย้ำอยู่เนี้ยย้ำอยู่เนี้ยย้ำเป็นปัจจุบันเนียนะย้ำไปเรื่อยเออแค่นี้แค่นี้การที่เราแบบอืมเออเอออาจจะไม่เคยทแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเราคนเราอยูละอญาตชไหเริ่มรู้ทันแล้วรู้สึกเรอเออเบื่อหน่าย เมื่อนายการเกิดแก่เจ็บตายเห็นคนแน่นยุ่งหลายปีมาก่อนเห็นคนท้องกมีเด็กมาเกิดอีกแล้วเห็นคน <Okay. S 1> ดูหน้าสงสารนาหน้าเว่อรหน้าอะไรเนี่คือมันมันคลิดขึ้นมาเอ ง, งเลยอย่างเนี้ยอันนี้มันคล้ายๆนกะับที่ผอาจารยงแล้วก็คือคือรู้สึกว่าเออเด็กเราต้องเกิดมามาเจอแบบชุย คำรับครดีคำช่วต่อไปแล้อะไรอย่เนี้ยอันนี้เหมือนคล้ายๆที่พระาจาย์พูมันคล้ายแต่อย่างห่างไกลเกินห่นางไกลถ้าใกล้เคียงที่สุดนะ<ม>ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะ<ม>ใครเป็นคนรู้เรื่องมาแล้วออกมาเล่าให้เราฟังเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่เล่าว่าไปเห็นคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยใครเป็นคนรู้มาม เมื่อกี้มีใครเล่าให้เราฟังไม่กระทั่งตอนเนี้ใครกําลังพูดกับเราอยู่ใครกำลังพูดกับเราเออใครกําลังพูดกับอัตมาอยู่เนี่ยใจเราอ๋อ<ะ>ตัวเราตัวเราวางเส้นเดี๋ยวนี้เลยพอวางมันไม่มีตัวเรามีแต่สังขารเนี่ยตัวเราไม่มีพอวางตัวเราก็ความตัวเราก็ดับสนิทในปัจจุบันตัวเราไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยพอตัวเราไม่มีเนี่ยดูสิ thì, ใครจะมาเล่าเรื่อง ใครจะกังวลเรื่องอนาคตเมื่อตัวเราไม่มีเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมันจบเลยมันหยุดสนิทเลยไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ไม่ไปไม่มาตรงเนี้ยแต่พอเผลออีกหน่อยเดี๋ยวก็ตัวเราก็โผล่มามันมันโผล่มาตอนเผลอตอนเนี้ยตอนเนี้ย ท, <c oughs> ที่ขอเรียกนิพพานชิมร้ร <c oughs> ใช่มท่านใจะชั่วข้าวจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็น ถ้าเออใช่ถ้าปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไม่มีตัวเราแล้วเนี่ยนะดับตัวเราดับตัวกูสนิทในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็ดับถัดมาก็ดับดับดับดับดับเห็นไมันยาวมาแค่ไหนแล้วเนี่ยยาวยาวยดับตลอดเนี่ยพอตลอดปั๊บเอ้ามันก็ถาวอนไปดิถูกไหมแต่ถ้าบางครั้งบางคราวดับพออีกหน่อยตัวเราโผล่แล้วไม่เห็นเนาะอ่านิพพานหายแต่จริงนิพพานไม่หายไปไหนหรอกแต่มันเป็นความหลงที่มาบังมามานั่นมาปิดกั้นมาบังเนี่ย หลงแล้วจนกว่าจะรู้อีกว่าเอา้าเมื่อกี้หลงก็ตัวเราก็หายไปแล้วแล้วก็เป็นนิพพานอีกแล้วพอตัวเราหายไปตัวเราดับไปอนะความดุงยึดนะมันก็เป็นนิพพาน ท, ทันทีนิพพานคือสิ้นทุกพูดง่ายๆเลยเมื่อไม่มีตัวเราเนี่ยไม่มีใครทุกเลยไม่มีใครทุกเราถ้าถามว่าที่มันทุกทุกอยู่ใครทุกก็คือสังขารเป็นทุก <c oughs> มันทุกอย่างมันรวมลงไปสังขารหมดเลยความเจ็บความปวดความเมื่อย ค, ค, คือสังขารถูกป่ะเออ เพราะนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าเออถ้าไม่มีตัวเราแล้วทำไมยังมีเจ็บมีปวดก็คือขนัขนห้างขันห้ามีอยู่เออแต่นี้ไม่หลงแล้วว่าความเจ็บความปวดคือเราไม่หลงแล้วแต่ได้แต่รู้ไงได้เป็นใจอยู่อยู่กับรู้อยู่กับรูอบรอบร้อย่างเดียวแล้วเกิดขึ้นก็รู้แต่พื้นแต่พื้แต่ก็ไม่ยึดรู้นั้นว่าเป็นเราอีกถูกไหมเพราะเราไม่มีได้แต่รู้ได้แต่แตรู้รู้รู้รู้เล็วรู้สั้น เจ็บเนี่ยถึงสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นสูตรที่ตรงมากเลยอะ่ะเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินใครเดินน่ะก็เราเดินเมื่อเดินเดินอยู่ก็รู้ว่าเรานี่ยที่าัท่านสอนให้รู้จักตัวเราใช่ไหมเออเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้เราเยอะเออเราเดินเมื่อนั่งก็ให้รู้ว่าเรานั่งอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นหัดรู้หัดรู้อย่างนี้แต่ตอนแรกอะมันปัญญามันไม่มีเลยปัญญาไม่มีแต่ว่าทำตามที่เขาบอกเดินก็รู้เราเดินก็รู้เดินก็รู้แล้วยังไงอีก ไม่รู้คืเหมือนกับว่าก็ทํายังไงได้มันเริ่มต้นปัญญามันมันมาไม่ทันมันยังไม่มาไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นต้องสะสมปัญญาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆสุดท้ายเนี่ยเมื่อเรียนรู้แจ้งในกองสังขารแล้วเนี่ยขันห้ารู้ว่าไอ้ร่างกายก็เป็นขันห้าไอเดินนั่งยืนนอนก็เป็นขันห้านะแล้วก็รวมถึงอ่ะเวทานาความสุขความทุกข์ความเฉยๆเอ้าก็เป็นหนึ่งในขันห้าอันอนี้เวทานานะจิต จิตมีการคิดมีการนึกมี อ, อารมณ์อ้าวก็เป็นขันห้า well. แล้วก็ธรรมะก็คือกายเวทนาจิตก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายสติปัฏฐานก็คือเรื่องเรือนแต่เรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสติเป็นตัวอะไรสตุได้แต่รู้สติไม่ใช่กายสติไม่ใช่ไม่ใช่จิตสติไม่ใช่เวทนาสติไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะได้แต่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้มากมากมากเข้าเนี่ยสติเนี่ยมันจะกลายเป็น เป็นธาตุรู้เพื่อก็ได้ได้แต่รู้มันเปลี่ยนพันเปลี่ยนจากสติเป็นขันห้ากลายเป็นเข้าใจเรื่องธาตุรู้ขึ้นมาว่าธาตุรู้เนี่ยคือธาตุที่บริสุทธิ์เป็นธาตุตามธรรมชาติรู้ทุกอย่างขาดสติมันก็รู้จากว่าขาดแล้วมีสติมันก็รู้ว่ามีสติแล้วแต่ธาตุรู้มันไม่ใช่สติมันพ้นไปจากสติอีกทีหนึ่งเพราะว่าไปัญญนะเพราะสติยังเป็นขันห้ายังเกิดดับแต่ธาตุรู้เนี่ยมันพ้นจากการเกิดดับ แต่คนเถียงคนย้อนมากนะไอ้พูดถึงว่าถ้ารู้ไม่เกิดไม่ดับแต่ก็ถ้าเถียงไปมันก็ปรุงแต่งต้องหยุดเถียงเมื่อหยุดเถียงก็เลยได้แต่รู้ <c oughs> ถูกไหมอ้าวไอ ing, ้เถียงไปเถียงมาเป็นสังขารปรุงแต่งว่ามันเกิดดับจริงหรือเปล่าหรือไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่พูดมาเปนสังขารทั้งหมดเพราะฉะนั้นหยุดพูดหยุดเถียงก็ได้แต่รู้ว่ า, อานนงไอ้คนนี้พูดยังไงคนนี้พูดยังไงคนนี้หยุดพูดแล้วก็รู้แต่ทางนี้ก็หยุดพูดแล้วก็รู้ก็ได้แต่รู้ไปมันไม่เถียงนะถ้ารู้นี่คือเถียงไม่เป็นได้แต่รู้ อนนั้นถ้าเถียงเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุแล้วเป็นกันนะเออตกหลเส่นไหตรงไหนหนเหมือนกับว่าในบางขาดเหมือนยมจะจับองนั้นได้ป่ะเหมือนธาตุรู้บางขนมีมันมีอยู่แล้วอาจารย์พูดไม่อกว่ามันัเรา่าการอะไรมากมันตัวธาตุรู้มันไม่ใช่เฉย มันแค่รู้แต่ไม่มีอะไรแบเออมันแค่รู้มันเคยเคยสัมผัสตรงนั้นเอแต่ไม่เข้าใจว่าอาไรแต่มันก็ไม่ได้ตลอดใช่เออไม่ตลอเพราะว่าตัวนน้นมันมันมามันมาปิดบังมาอะไรเนี่ยแต่จริงมันไม่บังหรอกแต่ทีนี้บางทีความหลงมันเหมือนกับว่าบังเอางี้นะเดี๋ยวลองลองดูเหตุการณ์สมมติว่าให้โยมคิดในใจนะแต่โยมต้องต้องทำตามที่เราบอกเนาะโยมคิดในใจคิดนับหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามหรือว่า นะโมตัศะอะไรก็ได้หรือพุโทโธก็ได้นะลองทําดูแล้วก็เอาคำนี้ก็แล้วกัสวพุทโธกันแล้วกันเนาะสมมุตินะ้เอาโยมทุกคนว่าในใจเลยพุโทโธแล้วก็เอาโทพุทเอาแล้วก็ว่าโทพุทรัวรวเร็วๆ เ, เ, เอาทีนี้พอเราถามว่า โยมทำแล้วยังเมื่อกี้ที่เราบอกให้ทําทำไหมแสดงว่ามีตัวรู้อยู่ถูกไหมรู้ว่าทําแล้วถอยหน้าถอยหลังก็รู้ใช่ไหมนี่ไงไอตัวพุดโธนี่คือความคิดแต่ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวเห็นเห็นว่าพุทโธแล้วหรือโธพุทธแล้วแล้วก็เวลามันหยุดรู้ได้ไหมเออเมื่อกี้เราถั่งให้หยุดยังเนาะแต่จริงๆอ่ะมันก็ออ เ, นเอามาเอาอีกนิดอีกนิดเอาใหม่นะเอาพุทโธก่อนพุทโธ เอาให้เร็วเลยรัวเอาหยุดเอาทอพุทธกลับหลังรัวเร็วเ้าแค่นี้ก่อนโยมทำยังเอาเ อ, อ, อ้าก่อนเมื่อกี้ทำกันั้ยที่ตอบว่าทำนี่แสดงว่ารู้จริงจริงว่าทำถ้าเราบอกว่ายังไม่ทำโยม ว, ว่าไงไใช่โยมไม่เชื่ อ, พอเพราะแสดงว่ารู้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นน่ะไอ้พุทโธเนี่ยเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อให้เกิดการรู้ขึ้นมาถูกไหมถ้าไม่มีพุทโธแล้วมันจะรู้หรือว่ามีพุทโธเพราะ so นั้นที่มีพุทโธแสดงว่ามันทําให้เกิดการรู้เพราะฉะนั้นรู้เนี่ยไม่ใช่พุทโธไม่ใช่พุทโธ ท, ที่เราคิดขึ้นมาเอาแล้วเวลาหยุดรู้ได้ไหมหยุดพุทโธมีไหมรู้เพราะฉะนั้นรู้เนี่ยไม่ใช่หยุดรู้เนี่อรู้รู้เนี่ยไม่ใช่หยุดแต่รู้เนี่ย มันรู้ว่าหยุดพุดโทโธแต่ตัวรู้เองอ่ะไม่ได้หยุดด้วยทีนี้เราจะสรุปอย่างนี้อา้าเร็วด้วยเวลาเร็วพุโทโธเร็วรู้ได้ไหมรู้ไม่ใช่เร็วช้าช้าไม่ได้ทำถ้าทามันก็รู้ก็ไม่ใช่ช้าเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยจึงได้แต่รู้ช้าก็พุทรู้นะนะว่ารู้นะรู้เนี่ยก็ไม่ใช่หยุดรู้เนี่ยก็ไม่ใช่พุโทโธพุโทโธที่เราพูดขึ้นมา รู้นี้ก็ไม่ใช่เร็วรู้นี้ก็ไม่ใช่ชา้ามันได้แต่รู้แปลกมากมอนี่อเออรู้เนี่ยมันได้แต่รู้รู้อะไรเร็วก็รู้ช้าก็รู้กำลังพุดโธก็รู้ถอยหน้าถอยหลังก็รู้แต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันไปรู้ไงมันมันเป็นสิ่งรู้อย่างเดียวมันกินได้แค่รู้มันไม่ได้เป็นอะไรทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องนี้ก็มารู้เจ็บรู้ปวดรู้เมื่อยดี รู้เป็นอะไรไม่เวลาเจ็บเจ็บก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งรู้เนี่ยไม่ได้เจ็บด้วยนะแล้วเวลาหายเจ็บรู้ได้ไหมรู้ได้แต่รู้ก็ไม่ใช่เป็นผู้หายเจ็บแต่รู้รู้เนี่ยจึงบริสุทธิ์มากเลยไม่เป็นอะไรนะแต่ทีนี้ด้วยอวิชชาไปยึดรู้นั่นแหละว่าเป็นเรารู้มันมีเราเข้าไปเสริมเช่นเราถามเมื่อกี้รู้ไหมรู้จริงๆอ่ะถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ไม่ดักคอเนี่ย ใครรู้อ่ะมันก็เรารู้แต่ถ้าถ้ารู้จริงๆอ่ะเรามันไม่ใช่เราใช่ไหมมันเป็นรู้ที่มันรู้ของมันได้เออมันรู้ของมันได้รู้นั้นแหละเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแตง่งคือไม่ช้าไม่เร็วเร็วก็ไม่ใช่ช้าก็ไม่ใช่หยุดก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงเมื่อมันไม่ใช่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งอะไรได้แต่รู้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้นั่นแะ